ในชีวิตประจำวันนั่นนี่บางคนอาจจะไม่สบายไม่ค่อยสบายทางด้านจิตใจนะออหรือว่ามีปัญหาต่างๆนี่ท า, าราทําเมตตาเป็นประจำโดยมากถ้าใครมาหาตอตมามีปัญหาต่างๆทางด้านจิตใจนี่อตจจมาจะเอาแผ่เมตตาให้เลยเอาไปนั่งทำจนมากก็จะได้ผลดีเพราะอะไร เพราะว่าจิตเรานี่ถ้าคิดความสุขเรื่องของความสุขแล้วนี่มันก็หมดปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหาหมดปัญหาเลยคนเรานีา่ปัญหาต่างๆมันก็มีธรรมชาติทั้งมันนะแต่ถ้าเราจริตัองเรามีความสุขมันก็ปัญหาก็คือปัญหานั่นแนะมันไม่ทำให้เราทุกข์มันก็อยู่กันไปปัญหาต่างๆมันก็ไม่มาบีบคันเรา ชีวิตประจำวันนั้นก็เป็นปกตินี่เพราะนั้นอาตมา ถ, ถึงใช้แผ่เมตตาเนี่ยแก้ปัญหาคนแก้มาได้ทั่วโลกอะโดยเฉพาะฝรั่งนี่พวกนี้มันไม่รู้จักแผ่เมตตาแล้วให้ปั๊บเนี่ยดีใจเลยทีเดียวแล้วก็ทำได้บ้างจะได้ผลเพราะว่าเมตตาเนี่เป็นคุณสมบัติที่สูงสุดของเยซูนะสอน แต่ถ้าว่ามันไม่มีข้อปฏิบัติที่จะทำได้เอาข้อปฏิบัติไปให้ก็เกิดความสบายใจเมตตาใ น, นแก้ปัญหาชีวิตได้มากไปเดียวในนั้นก็ทำไว้เป็นประจำะเราจะมีความสุขในชีวิตประจำวันเพราะว่าอานิส์งของการแผ่เมตตาก็คือ ตืนก็เป็นสุขหลับก็ไม่สุขไม่ฝันลายใช่ไหมนี่ชีวิตประจำวันของเราเนี่นั่งนอนยืนเดินจะมีแต่ความสุขเป็นที่รักของมนุษย์นี่แหละอ่าเมตตามหาดยมอันนี่อยู่ในครอบครัวก็มีความสุขในครอบครัวอยู่ในการงานก็ได้รับความสาเร็จในด้านการงานอยู่ในสังคมก็ได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นที่รักของอมนุษย์อมนุษย์ใเทวดาพิพเปรรวมุกสัตติรฉานรักใครชอบใจไปที่ไหนไม่ต้องหวาดระแวงเทวดาจะรักษาผู้ใดที่เทวดารักษาผู้นั้นจะมีความชั่ญรุ่งเรืองไม่ตกต่าผิวหน้าจะผ่องใสหน้าตาจะงดงามผ่องใสดีกว่าไม่อับด้วเครื่องสำอางจะไม่เป็นอันตรายด้วยไฟด้วยสาดตาด้วอาวุธด้วยยพิษอุบัติเหตุร้ายแรงจะไม่เกิดแค ล, ล้วคลาดเรแผ่เมตตาแล้แลทําสมาธิ จิตจะเป็นสมาธิอย่างรวดเร็วก่อนจะตายจะมีสติไม่หลงตายเมื่อตายแล้วแต่คาาวามไม่ไปนิพพานก็ไปสู่พรมโรคถ้าสมาธิไม่ถูงก็ไปสุคติคือมนุษย์กระส่วนนี่อานิสงส์ของพระอานแผ่เมตตาเนี่ยครอบจักวานทีเดียวเพราะนั้นหราณาจารย์จึงวางแบบฉบับให้เราหลังจากไววพระสมตนให้แผ่เมตตา เอาต่อไปนี้ก็ฝึกแผ่เมตตาคิดตามไปแล้วจิตจะเป็นเมตตาเองโดยธรรมชาติ